ชื่อโปรเมนะโปรเมนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็ดังพอๆกับน้องเมนะน้องเมนีรัชนกโปรเมก็เอริยานะเล่นกอล์ฟนะถึงเรียกโปรโที่ดังก็เพราะว่าปีนี้เขาได้แชมป์เรียกว่าติดๆกันเลยนะสี่แชมป์สี่ถ้วยโดยเฉพาถ้วยสุดท้ายนี่เาอเป็นเป็นเป็นเมเอร์นนะคือกอล์ฟนี่มันมีหลายระดับระดับที่เป็นเมเยอร์ระดับสาคัญนี่ถือว่า เป็นแชมป์ได้ยากและเธอเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้แชมป์เมเยอร์ที่อังกฤษก็เป็นข่าวดังมากแล้วตอนนี้คนก็หวังว่านะเธอจะได้นำเหรียญทองกลับมาจากบราซิลนะกีฬาโอลิมปิกแต่ส่วนใหญ่ไม่รู้นะว่าก่อนหน้าที่จะได้แชมป์ติดๆกันเนี่ยเธอเคยเกือบจะได้แชมป์มาอย่างน้อยสองครั้งแล้วก็คือปีห้าหก เกิดไปได้แชมป์ที่เมืองไทยนะแล้วก็ต้นปีนี้นะก็เป็นรายการใหญ่ก็อดได้แชมป์ทั้งๆ่งที่ชนะมาตลอดได้แต้มมาตลอดจนทั่งมาเสียแต้มเอาหลุมสุดท้ายหรือว่าสองสามหลุมสุดท้ายเป็นอย่างนี้ทุกครั้งรวมทั้งครั้งล่าสุดที่ได้แชมป์เมเจอร์นี้ด้วยนะก็นำมาตลอดและนำเยอะด้วย เสร็จแล้วมามาแป๊กเอาตอนหลุมท้ายท้ายอันที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเธอเนี่ยตื่นเต้ น, นคนเราพอใกล้จะชนะนะจะมีความตื่นเต้นคือเรียกว่าไซด์มากแล้วก็นักกีฬาหลายคนเนี่ยโดยเพราะที่ไม่ผ่านประสบการณ์มาเยอะเนี่ยพอใกล้จะชนะเลิศเนี่ยจะเกิดา ก, การที่เรียกว่าโชคนะโชคคือว่าเล่นไม่ออก ไม่ว่าจะเป็นเทนนิสไม่ว่าจะเป็นปิงปองหรือว่ากอล์ฟเนี่ยเมยก็เหมือนกันนะแล้วเพราะความตื่นเต้นเนี่ยเธอก็เลยเสียแต้มจกนกระทั่งคนที่ตามหลังเนี่ยคว้าแชมป์ไปเนี่ยเป็นอย่างนี้มาสองครั้งแล้วแล้วครั้ง ล, ล่าลสุดเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็เกือบจะเกือบจะเสียนะแชมป์ให้กับอีกคนหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะ เธอมีการเปลี่ยนแปลงคือหลังจากที่พ่ายมาสองครั้งเนี่ยเธอก็รู้สึกว่าเรื่องฝีมือไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือเรื่องใจเธอก็เลยไปไปใช้บริการของโค้ดนะที่เขาเก่งเรื่องจิตวิทยานะเป็นฝรั่งแล้วโค้ดคนนี้ก็ก็มีสองคนก็เอาเทปเก่าๆของเธอมาดูว่าเล่นเสียเพราะอะไรก็เพราะว่า เวลาเธอใกล้ถึงหลุมสุดท้ายเนี่ยโดยเฉพาะมีโอกาสที่จะได้แชมป์นเนี่ยเธอจะรนปกติคนที่ตื่นเต้นเนี่ยเขาจะเขาจะเล่นช้าลงเขาจะระมัดระวังมากขึ้นแต่เธอเนี่ยเล่นเร็วขึ้นตีสวิงก็ตีเร็วนะต่อมาก็ไม่ค่อยรู้จักนะสวิงพัดอะไรเนี่ยนะแต่ว่าเร็วก็แล้วกันนะก็เลยพลาดเยอะเพราะฉะนั้นคือว่าวิธีแก้เธอวิธีแก้สาหรับเธอคือว่าต้องทาให้ใจเย็นขึ้น มีสติมากขึ้นแล้วก็เล่นให้ช้าลงมันก็ไปด้วยกันนะเพราะถ้าเล่นเร็วก็ยิ่งร่นถ้าร่นก็ทำให้เร็วขึ้นก็พยายามแนะนำเธอหลายอย่างนะทำยังไงจะให้เธอเนี่ยช้าลงใจเย็นมากขึ้นก็ไม่ค่อยสำเร็จนะจนกระทั่งพบว่าวิธีหนึ่งที่ช่วยได้เนี่ยรู้ไหมวิธีอะไรยิม้มคอซึ่งจ้างมาแพงๆเนี่ยนะแนะนำเธออย่างเดียวคือเวลาจะตีเนี่ยนะ โดยเฉพาะหลุมสำคัญเนี่ยให้ยิ้มไว้ก่อนนะยิ้มไว้ก่อนเพราะยิ้มเนี่ยมันทำให้เธอใจเย็นแล้วก็เริ่มมีสตินะคนเราเนี่ยพอเวลาคเครียดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นวิตกกงังวลหรือเวลากลัวเนี่ยโมโหเนี่ยนะถ้าทำอะไรไม่ถูกเนี่ยยิ้มไว้ก่อนนะจะไปหาหมอหมอจะฉีดยาก็ยิ้มไว้ก่อนนะจะไปฟังผลนะตัวสุขภาพก็ยิ้มไว้ก่อน เขาพบว่ายิมเนี่ยมันช่วยนะช่วยหลายอย่างคนที่กลัวเข็มเนี่ยนะกลัวเข็มฉีดยาเนี่ยเขาพบว่าถ้ายิ้มนะแม้ใจในจะเต้นแต่ยิ้มไว้ก่อนเนี่ยความเจ็บจะลดลงเขาบ่าถึงสี่สิเปอร์เซ็นตนะสี่สิปอร์เซนคนที่กลัวเข็มเนี่ยพอฉีดยาเข้าไปเนี่ยเข็มทิ่มเขาพบว่าจะเจ็บกว่าคนที่ไม่กลัวเข็มเนี่ยเป็นสามเท่าแสดงว่าความกลัวเนี่ยมันมีผลมากเลยนะต่อ ต่อความรู้สึกต่อร่างกายแล้วก็ต่อการทํางานด้วยเนี่ยที่ไอริยาเนี่ยเขามีอาการร่นเนี่ยเพราะเขากลัวกลัวจะไม่ได้เนี่ยยิ่งใกล้จะได้แล้วเนี่ยมันยิ่งยิ่งเกรงยิ่งกลัวพระกลัวผิดนะแต่พอยิ้มแล้วเนี่ยนะมันช่วยได้เยอะผ่อนคลายมันเรียกสติกลับมาแล้วเธอก็ใช้วิธีนี่แหละนะยิ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยแข่งนัดสุดท้ายเนี่อล่าสุดเนี่ย ขณะที่เธอเริ่มจะแพ้ แ, พแล้วนะเริ่มจะเสียเบอร์สองเนี่ยแซงไปแล้วนะเธอก็กลับมาตั้งสติแล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองนะและในสุดเนี่ยพอหลุมสุดท้ายเนี่ยเธอก็สามารถที่จะชนะคู่แข่งได้แบบบุตรวิต์นะมาตีตื้นเอาตอนท้า ย, ายนะแล้วก็ได้แชมป์ไปเป็นประวัติศาสตร์นะของอนักกอล์ฟหญิงไทยนะ เราเป็นปวอดสายของเมเยอร์นัดนั้นด้วยเพราะว่าไม่เคยมีผู้หญิงไทยได้นั้นเห็นว่าน ะ, อะไอการยิ้มเนี่ยช่วยได้เยอะมันเป็นวิธีที่จะเรียกสติกลับมาได้ช่วยทำให้ใจผ่อนคลายแม้แต่การเล่นกีฬาเนี่ยนะยังต้องใช้สติเลยโดยเฉพาะเล่นกอล์ฟหรือเล่นกีฬาที่ไม่ได้แข่งกับใคร มันไม่เหมือนกับชกมวยฟุตบอล น, นะไอ้พวกนี้มันต้องปะทะกับผู้ต่อสู้แต่ว่ากีฬาหลายอย่างเนี่ยมันไม่ต้องถึงกับปะทะแต่ว่าต้องทําให้ดีที่สุดทําให้ตัวเองดีที่สุดและสุดท้ายก็มาลงที่ว่าต้องแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเองก็คือว่าต้องรักษาใจให้นิ่งหลายคน มีความสามารถมีทักษะนะเรียกว่ามือก็ดีนะทักษะนี่เป็นเรื่องของการใช้มือนะบางกีฬาะจะใช้เท้าแต่เรียกรู้ว่าใช้มือนะใช้มือเนี่ยไม่พาะต้องมีหัวอ่านเกมออกอ่านเกมทะลุนะจะเป็นฟุตบอลก็ดีจะเป็นแบดมินตันก็ดีนะจะเป็นกรอบที่ต้องอ่านเกมให้เป็นแต่ว่ามีหัวแล้วมือก็คล่องแล้วเนี่ยยังไม่ได้นะใจก็สาคัญ นะเขาถึงว่าต้องมีสามเพชรนะแหแล้วก็ h a r หัต a r ตในที่นี้ไม่ได้เปลว่าใจสู้อย่างเดียวนะใจสู้แต่ว่ากลัวโกรธง่ายก็เสร็จเหมือนกันนะนักชกที่ใจสู้แต่ว่าพอถูกคู่ต่อสู้แย่ให้โกรธนะก็พลาดท่าเสียทีนะอันนี้ก็เป็นอุบายของมูฮัมหมัดอาลีนะเวลาจะชกขายต้องยั่วต้องยั่วต้องยุให้คู่ต่อสู้เนะี่ยโกรธ มันจะได้เผยจุดอ่อนให้ตัวเองเนี่ยน็อกเนี่ยฉะนั้นมมวหมาลีเวลาเล่นชกไปชกไปก็ชกไปก็ด่าไปชกไปก็ด่าไปด่าคู่ต่อสู้ดูถูกเขาเนี่ยฉะนั้นใจเนี่ยสำคัญมันให้ใจไม่ให่ใจสู้ใจต้องมีสติต้องนิ่งพอตอนที่ไทเกอร์วูดเนี่ยนะเขาดังเนี่ยนะเพราะว่าเขาอาศัยใจที่เขานิ่งนะแรงดีงนีไม่พอต้องใจนิ่งด้วยแต่ตอนหลังเขามีเรื่องวุ่นวายในชีวิตนะ ใจก็เลยไม่ค่อยมีสมาธิแล้วแล้วก็ืึอมือก็ตกลงไปเรื่อยๆนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทําแล้วก็ตามเนี่ยแม้แต่การงานกิจกรรมที่ใช้แรงใช้ร่างกายเนี่ยเช่นกีฬาเนี่ยมันต้องใช้ใจมากนะโดยพักต้อนี่เขาเลยเป็นเกมเกมของใจเลยน ะ, ะยิ่งเรามาทํางานเนี่ยที่ไม่ได้ใช้แรงกายใช้ความคิดเนี่ยหรือว่าต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้คนยิ่งต้องใช้ใ จ, ใจเข้าไปใหญ่ และส่วนของใจที่สำคัญนอกจากการคิดถึงคนอื่นมีเมตตากรุณาอย่างที่พูดไปแล้วความนิ่งความสงบการมีสติสำคัญนะแล้วการยิ้มเนี่ยช่วยได้นะโมโหโกรธอ่ะยิ้มเอาไว้ก่อนถือแม่ใจข้างในเนี่ยมันอยากจะสียะนะเวลาโกรธนี่ข้างในเนี่ยมันอยากจะสียะนะมันอยากจะคำรามนะแต่ว่ายิ้มเอาไว้เนี่ยมันจะช่วยทาให้ใจเราผนคลายมันทำให้ความโกรธมันสดุด การยิ้มเนี่ยทีแร่มทํทำให้กายผ่อนคลายก่อนแล้วมันจะช่วยทำให้ใจผ่อนคลายแต่ถ้าหากว่าเราฝึกสติได้ดีน ะ, ะครนี้ก็อาจจะไม่ต้องมต้องใช้รอยยิ้มแล้วสติมันทำงานเองเลยแต่ถ้าสติยังไม่ไหวนะก็ยิ้มไว้ก่อนนะแล้วสติก็จะค่อยๆตั้งมั่นอยู่ในใจเราได้เมื่อวานนี้ตอนนั่งรถนะ ไปบรรยายที่แถวนางลิ้นจี่ก็เห็นขึ้นรถขึ้นถนนขึ้นทางด่วนก็เห็นบิลบอร์ดนะป้ายโฆษณาใหญ่ๆเป็นรูปเนี่ยโปรเมเนี่ยโฆษณาอะไรไม่รู้แต่อัตำไมเห็นข้อความว่าชัยชนะที่แท้จริงก็คือการชนะตัวเองที่จริงคำพูดนี้น่าใช้กับพระนะนะหรือว่านักปฏิบัติธรรมนะต้องชนะกิเลสต้องชนะความขี้เกียจ แต่ที่จริงไม่ว่าจะเป็นพระหรือคาราวาสเนี่ยก็ต้องชนะตัวเองเนี่ยถึงจะประสบความสำเร็จได้และชนะตัวเองไม่ได้ชนะความขี้เกียจไม่ได้ชนะความโลภอย่างเดียวนะมันต้องชนะความกลัวชนะความตื่นตกใจด้วยอันนี้ก็เป็นชัยชนะที่เราไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่นะแล้วก็เขาก็เป็นตัวอย่างนะว่าเอ อ, อการชนะตัวเองนี่มันสาคัญนะและต้องทำหลายอย่างไม่ใช่แค่ฝึกให้ ฝึกให้ตีได้ไกลนะฝึกให้ตีให้แม่นนะอันนั้นเป็นเรื่องมือนะสำคัญก็คือเรื่องของใจทำใจให้นิ่งนะดึงสติกลับมาไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามแม้แต่เวลาเราจะไปพูดในที่ชุมชนหลายคนประมายิ้มไว้ก่อนนะยิ้มเอาไว้แล้วความเกรงความวิตกความกลัวก็จะหายไปโกรธใครทะเลาะใครนะรู้ว่ามันทุกข์ ความโกรธเผาโลนใจก็ยิ้มไว้ก่อนนะไปหาหมอกลัวยิ้มไว้ก่อนนะแล้วอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแล้วก็เตรียมตัวรับพร